ดาลูกหลานทั้งหลายก็คงมาพบกับบรรดาลูกห ล, ลนานในเรื่องของมหาสดบัณดิตต่อไปเรื่องของทรัพย์กับปัญญายังไม่จบเมื่อพระราชาได้ทรงถามมหสดแล้วที่นี้หันกะพักมาทางเสนนกบัณดิตก็ถามว่าท่านอาจารย์มหสดว่าอย่างนั้น มีความเห็นอย่างนั้นถ้ า, ถ า, าจานจะแก้ไปยังไงถ้าอาจารย์เสียนกจะเลยกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่พูดถึงมนุษย์แม้แต่นกก็ยังมาประชุมกันที่ต้นไม้อากระช่างพร้อมบดีผลแล้วก็กราบทูลว่าหนกบินร่อนมาจากในที่ต่างๆ มาเกาะต้นไม้ที่สลางบริพน์ฉันไหนยมืหาชนก็ยังคบหาสมาคมกับคนที่มีความมั่งมีสีสุเพราะว่าต้องการทรัพย์ฉะนั้นข้าพระบาทจึงมีความเห็นอย่างนี้แล้วก็กล่าวถึงว่าคนที่มีปัญญาแต่ว่าเป็นคนอับโชค คนมีทรัพย์มียศเป็นคนเดามสวยกว่าพระเจ้าค่ะเนี่ยความจริงเขาแก้ดังเหตุผมเขาต่างคนก็ต่างดีฉะนั้ขอหนุ่หลานทั่งหลายก็ต้องเกตให้ดีนะว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนู่หลานที่รักฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยนะถ้าเราคิดดูว่าใครจะแพ้กันแนะ่ก็บอกคนมีปัญญาเนี่ย อันนี้จะเป็นยาอย่างเดียวไม่มีเวโทโถนี่คนที่เขาจะครบเลนมากที่โบราณเขาว่าบัวเห็นกัญญาขี้ข้าเห็นกินอ ย, ย่างที่เขาเรียกจะเป็นสมาชิกผู้แทนอะไรก็ก็ตามเออจะเป็นอะไรก็ตามเวลานี้เขาใช้คนที่มีเงินดีไม่ดีการสอบแข่งขันปัญญาเขาไม่ถือว่าสําคัญ ความรู้เขาไม่ถือว่าสาคัญแต่ว่าคนที่มีเงินมากสามารถจะชนะได้นี่เมื่อแท้จริงๆในโลกปัจจุบันเวลานี้มันก็เป็นอย่างนั้น ล, ลูนหลานคิดไหมว่ามโหสถจะชนะหรือว่าเสนีนกจิตชนะฟังนั้นต่อไปนะจ๊ะใารจะได้ส่ันดับแล้วจะได้สวนแต่กับมโหสถว่าพ่อมโหสถ เมื่อนานอาจารย์เสนาก้ามาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เธอจะมีความรูื่อมีความเห็นตัวการใดตอนนี้ท่านหงษ์สดบันิกราพุนว่าถ้าอาจารย์ูงนก็อกพงโตเพื่อโตต่วพงจะได้รู้อะไรคนพงโตนีโตต่อพง แต่ว่าปัญญาไม่โตคงไม่มีความรู้มากทุ่คมความมความโม่เมาอยู่ในลาบไปยศะในเจลิกาโทนพระยาชาต่อไปว่าคนโง่มีกำลัง้าตแต่จะบังคับขู่เข็นคนให้ได้เงินมาถ้าจะจริงนะเวลานี้เราเห็นได้ว่าคนที่มีเงินเวลา มีเชื่อใบ้คำว่าทุกข์มักจะไม่มองหาเห็นทุกข์ของคนที่มีเงินเหมือนกับในสมัยที่นนั่นพวกมา ก, มากคนที่มีสตางค์มากเอาของไม่ขายร่างขายของขึ้นราคามากๆท่าที่มีความไม่ตาประึ่งลักษณะที่นนี้เป็นลักษณะของคนงี่เง่าเพื่อนำไปฟังใจ ข, ของท่าน เรื ก, กล่าวว่าคนโง่ที่มีกำลังชอบแต่จะบีบบังคับโคเข็นบุคคลให้ได้เงินมาหารู้ไหมว่านารนิยบาลคือว่าคนที่รักษาในรกท้ากันก็คือ้่าตนผู้โคเคเขาให้ข้ามควรอยู่ในนรกนั้นเอาตัวเป็นนรกก็เป็นทุกร้ายกาศ ข้าพระพุทธเจ้าขอยืนยันด้วยคราว่าคนที่มีปัญญาเป็นสูงกว่าคนที่มีทรัพย์แต่ว่าเป็นคนโง่ก็จะขาพระราชาได้ถามเสนอกว่าอาจารย์เสนอกี่แย่ยงไรถ้าอาจารย์เสนอกราทุนว่าแม่น้ำน้อยย่งไหลด้วยโส่ของข่าแม่น้ำเหล่านั้นก็หมดชื่อเดิม ไหมายความน้ำเนี่ยม่น้ําน้อยเนี่ยไหลไปสู่มหาสมุทรมันน้าานําไหลไปหมดแล้วไอ้น้ํานั่นก็หมดความหมายแม้น้ําที่นั้นไม่มีอีกเพราน้ำมันไม่มีถ้ากับก ล, ลับพากันเรียกชื่อว่าคงคาให้คงคาไหลไปสู่มหาสมุทรก็ชื่อว่าคงคาหมดไปได้ชื่อว่ามหาสมุทรเช้นไร ผู้มีเป็ัญญาเลือดในโลกนี้ทิ้งแม้ว่าขั้นมาถึงถิงถ่นไทยของผู้มีทรัพย์มียศมีชื่อเสียงเฮชื่อเสียงของเขาก็หมดไปเหมือนกับของที่ลงคงคาหมดไม้เมือน้นนนนอํานื้อของเล่นน้ากระตามโยนเที่ยวไปเล่นบบ น, น่ะหมดไปฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอยืนย่าง คามเห็นยากคนมีทรัพย์เงิมีเงินโดยส่วนตับคนที่มีปัญญาพิจารณาเพราะอาชาได้ตัดคำามโหสถว่าพ่อโมโหสดที่อาจารย์เสนกกล่าวมาอย่างนี้แล้วพระจะแก้ย่งไรถ้าโมโหสดได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะแก้ปัญหาที่ท่านอาจารย์เสนุกกล่าวอย่างนี้ เมื่พูดมาอย่างนั้นข้าพเจ้าข อ, ขาขอตอบอย่างนี้ว่าธรรมดาแม่าน้ํ า, าน้อยหรือใหญ่ย่อไหลลงไปสูสม่มหาสมุทรมหาสมุทรก็รับเอาแม่น้ําเหล่านั้นแล้วขอควรจะว่ารับเอานา้ำน้ำทั้งหลาน้ำทั้งหลายเหล่าลนั้นไว้แม้จะถูกคลื่นซัดสัตว์อะไหรก็เพียงอะไรก็ตามก็สะกัดไวอยู่ชั้นใด การหรือว่าวิชาทั้งหลายที่แพร่หลายอยู่ก็ไม่พ้นคนฉลาดไปได้คนโง่ตั้าไปวินลอบปีทากับคนฉลาดตลอดเวลาอย่าพ้นคนที่ปัญญาไปหาได้ไหมฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าถึงความดังนี้ยุนิสกลาที่กล่าวยืนยันว่าคนมีปัญญาประเสิกว่าคนโง่แล้วก็มียศพระจ้าค่ะ นี่เป็นอันญ่มโหสถโตชัดๆว่าถ้าอาจารย์เสีลนกเรมีเยอะก็ใหญ่มีฐานะก็ใหญ่ถ้ามีเงินมากถ้าเวลาเวลาที่ประราชาถามปัญหาเรื่องสุนับแพเขาคิดไม่ได้ถ้าว่าแกยรู้สึกตัวลาไม่นี่ยร้องโผไม่สะาบนะจ๊ะฟังต่อไป ตอนนี้ท่านเซนนกต ว, ว่าคนมียศแล้วก็มีทรัพย์ที่แม้ไม่มีปัญญามากหากจะว่ามิใช้ข้อความใดๆแม้จะเป็นเท็จก็เชื่อถือเพราะเป็นที่เชื่อถือของคนแน่ถากล่าวว่าคนมีปัญญาไอ้คนโง่ก็ดีมีทรัพย์มาก แค่พูดอะไรก็ตามจจริงและไม่จริงคนก็พณะกนนันรอยอมรับและถือเชื่อเขาเพราะเขาเป็นคนมีทรัพย์ถ้อยคำของเขาที่จะจูงใจคนเห็นด้วยได้งายก็ทรัพย์คนรอเหมือ น, นกับที่เขาเลือกผู้แทนรัศดรคนงงติดอยู่ในทรัพย์สินก็ติดในเงื่อนแล็เลือกเอาคนเลวเข้าไปในสุดเองตัวงก็ต้องนั่งเศ้าใจ แล้วหมดอะไรในชีวิตเรื่องมิตรพี่เข้าเป็นผู้ชายกลับมาเป็นนายาเยก็บภาษีก่อนชาติวิสิ์ต่างๆเงนินภาษีก่อนที่เสียเข้าไปแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาพวกนั้นกลับเป็นผู้ ร, ำร่ำรวยมันั่งทับหัวพวกเรานี่นี่เป็นลักษณะ ข, งของคนโงโท่ที่เรียกคนชั้นลึกคนชั้นต่ำไป เราจะไปโทษเขาช่วยกันไม่ได้ตอนโทษเราเป็นคนเลือกเป็นคนช่วยจังหากเพราะไม่พิจารณาเห็นว่าคนบางคนเคยทำลายชาติให้ที่นาศไป ย, อย่อยยับเพราะว่าอาศัยที่มีความมีความโง่เป็นปัจจัยแต่ว่ายกตนข่มท่านทลายเข้าใจว่าเป็นคนฉลาดตัววัวคนคนเดียวกับพวกวรหนาร่ำรวย แต่คนหลายคนหลายสคนต้องขาดอาชีพเป็นคนไร้อาชีพไม่มีอะไรจะกินต้องเข้าป่ากกระสุนกระเสิงหาปผวกหาผัเพื่อข้ามันคนประเภทนี้นั่นก็จัดว่าเป็นงโง่แต่ถ้าว่าเขามียศศักด์เขาก็ทําลายความสุขของคนทั่วไปได้โดยไม่สนใจใครเรื่องราวทั้ ง, างกาวต่อไปว่าเพราะว่าใช้ยศปรศักดิ์เป็นเครื่องจูงใจ แต่ว่าคนมีปัญญาไม่อาจที่จะคนที่ไร้ทรัพย์ทำอะไรตามเพื่อขัตคนได้คขาบอกว่าคนที่มีเงินมากใช้ใครก็ใช้ได้มีเงินที่อย่างมีเงินจ้างที่อย่างใครๆก็ต้องการมีเงินแต่คนที่มีปัญญาอาจจะไม่มีเงินใช้ใครๆก็ไม่อยากทำให้เพราะว่าไม่มีทรัพย์ไม่มียศไม่มีแรงหลน ข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงขอทูลยืนยันว่าคนมีปัญญาดีกว่าคนมีทรัพย์และมีมยศเพราะคนที่มีปัญญาจะดีไปกว่าคนที่มีทรัพย์และมียศไม่ได้ประหยัด่ันโต้กันต่อไปเรื่องนี้โต้กันหนักรู้หลานฟั่งแล้วก็จํานยจ้ะถ้าเราหักเโต้ตอบ ว, ว, ว, ว่าคนข่าว มักจะพูดปดทั้งแก่ผู้อื่นและทั้งแก่ตนเองเมื่อคนเขาไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกเพ้อเจอไปตมามแล้วมักจะถูกตีเตียนในกลางที่ประชุมชนและจะต้องทุกขติในที่สุดข้าพระองค์เห็นความนี้จึงขอกระาบทูนว่าคนฉนลาดเจ้าเคดก็คนเขาที่มีทรัพย์ถ้าไม่ยศ คนที่มีทรัพย์มัเ น, นเยอเป็นคนโง่เป็นคนโง่ไม่ประเสริฐเลยไปอย่างนั้นต่อมาท่านเสนากดีในแก่วว่านี่ค่อยคุยแล้วนะจ๊ะอันคนมีปัญญาปรด็จะขันดินแต่ว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีทรัพย์เป็นคนยากไรคคำพูดของเขาย่อมไม่เป็นที่เชื่อถือในท้ำกลาง บริษัทนะแม้่อนในท่ามกลางเขาบรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นคนหมดสีเส่งอาข่าพระพุทธเจ้าเห็นดังนี้ที่งเชื่อคนปัญญาไม่ประเสริฐเลยพระยาค่ะสู้คนมีทรัพย์แล้วเป็นคนโง่ไม่ได้ตอนนี้ทรามหโหสถแกว่าคนที่มีปัญญาก็โดยเจ้าแผ่นดินเขาก็ไม่พูดจาเหลวไหล สำหรับเพื่อนคนอื่นแล้วก็เพื่อตนเขาแยกไปรับการบูชาในถ้ำกลางประชุมชนถ้ายั้งยังได้สุคติต่อภายหลังข้าพระพุทธองค์เห็นอย่างนี้จึงก ล, ล่าวถึงว่าคนมีปัญญานั่นแหละประเสริฐคนขลาดมียศมีศักดิ์ไม่ประเสริฐเลยเทียอภ่ะ ทั้งเส้นลกตัววัดช้างก็ดีโคก็ดีม้ก็ดีแก้วมั น, นีก็ดีก้นทนก็ดีนั่นารีก็ดีล้วแต่เกิดในเด็คนเขาโอคคนเขาบางครั้งมีโภคของมีคนเป็นอุโภคของคนที่มีทรัพย์ประยศคนที่มีปัญญาจะไม่มีทรัพย์ไม่มีคือโอภคคือโอภคคือเครื่องใช้สอยนะ ถ้าบริโภคเรากินของคนที่มีทรัพย์แล้วมียศข้าพระองค์เห็นความจริงเหล่านี้ยิ่งกล่าวถึงว่าคนที่มีปัญญาเป็นคนต่ำคนที่มีทรัพย์มียศเป็นคนดัน่งเศษไปย่อกาขันโหะโสเจว่าสิริสิรินี่ก็แปลว่ามิงขัญสิริมงคลย่อมไม่โยกันคนผ่านชั้นใดเออ ที่บางคนย่อมไม่อยู่เป็นคนผ่านฉันดายโง่ไม่มีความคิดมันงูล่อคลาบเหมือนกับงูที่ล่อครับเก่าเสียแล้วข้าพระองค์ข อ, อยืนยานว่าคนมีปัญญาไปใสยกว่าคงขาวและมีทรัพย์มียศพระพุทธเจ้าขา้าเส้นนกคิดจะแก้ต่อไปโดยหวังย่ายโมโหสุดอัจนให้ได้จึงกล่าวถุนว่าขอเดชะ ข้าพระองค์ทั้งหา้าชื่อว่าเป็นบัณฑิตแต่ต้องมารับประสบการ ก, กับพระองค์ผู้เป็นทรงนีสยยิริยศคือทรงมีท่างทรัพย์ทั้ ง, งยศปกกล้าปกกระหม่อมของข้าพระพุทเจ้าทั้งหมดดูจะเท้สาสกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในโมชัในโมสศทนั้นข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกล่าบทูลว่าคนสลาด เป็นผู้ต่ำกว่าคนมีทรัพย์และคนมียศคนมีทรัพย์คนมียศจะเคยกว่าเจ้าค่ะอันี้เขายันพาะมหากษัตริย์เขาถือว่าเขาน่ามีปัญญาทั้งห้าคนแต่ว่าจำที่จะต้องมาอยู่กับพระมหากษัตริย์ซึ่งมียศและก็มีทรัพย์แต่ดีไม่ดีก็หาวาหาหมอนะว่าพระราชาเป็นคนโง่เนะตานี่เขาไร ก่อนกินกายะจำามโหสถตะไปจ้ามกราชาเข้าฟังกันต่อไปพระเจ้าวิเทศราดทรงสดับคำของเสนกตั้งนั้นยิงเล่ทรงบันดาว่าคำแก้ของอาจารย์เสนกนี่เข้าทีถ้าจะเห็นจริงก็โหสถบทของเราจะสามารถทำลายวาทะเสนกได้หรือไม่หนอ นี่ทั้งหนักใจแทนมโหสดด้วยคนนี้นี่นนแหละจะนิธรมโมโหสดว่าพ่อมโหสถจะแก้เขาว่าอย่างไงท่านมโหสถกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าท่านอาจารย์เศษนกนี่จะรู้อะไรเอาแต่ยศขึ้นมาไม่รู้ความมิเศษของปัญญาขอพระองค์ทรงสนับคำของข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าค้า และจะได้กลา่าวพูว่าคนเข่าถึงจะมียศก็เป็นเหมือนทาาของคนฉลาเพราะว่ามีเมื่อมีปัญหาที่สุขุมนึกซึ้งเกิดขึ้นคนฉลาดเท่านั้นที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้ไเหมือนส่องไฟในที่มืดส่วนคนเข่ามียศมีทรัพย์ไม่สามารถจะแก้ไขได้ มันคนที่อยู่ในที่มืดมองอะไรไม่เห็นข้าประ บ, บาทเห็ความอย่างนี้พเจาค่ะจึงขอยืนยันกราบทุนว่าคนมีปัญญานั่นแหละประเสริฐคนผ่านคือคนงโง่มียศมีทรัพย์แยหาความประเสริฐมาจากไหนพเจาค่ะเมื่อนึกความที่มโหสถมันอีกลาบคนไปนั้น ปรากฏเป็นเหมือนผู้วิเศษคุ้ยสายขึ้นจากกองเชิญขาพุเมีนแลว้วก็เหมือนก็ผู้มีฤทธาสันดาลุภาพมากบรรดาให้ดวงจันทร์เต็มดวงขึ้นบนร้องฟ้าเฉะนนั้นทำให้ราชาซึ่งมีตกแท้มโหสถถึงก็บฟงยิ้มแย้มขึ้นมาแลว้วก็เมื่อเขาสคยกราบทูลจบก็ทรงสัสว่าพ่อมโหสด แก้ปัญหานี้เป็นโทษที่ถูกใจเรามากท่งหันไปทางเสนกถามว่าอาจารย์เสนกท่านจะมีความคํากล่าวอะไรเหมือนมะฮอสดอีกหรือไม่ตอนนี้ถ้อาจารย์เสนกหมดปัญญาที่จะกล่าวโต้ให้เหมืนโหสถไดออ้อีกเขาบอกว่าเหมือนกับข้าวเปลือกที่เต็มชางให้หมดสิ้นไปแล้ว หมดปัญญาแล้วหมดูงพงใหญ่ถ้าไม่มีข้าวได้จะนั่งกรมหนา้าซบเศาเอารสิราชาโทษพระเนเห็นอา ก, การของอาจารย์เสนกแบบนั้นโดดจ้งแล้วโน้หลานที่รับกรเชื่ทราบว่าอาจารย์นกหมดพงเสียแล้วรับสั่งกับมโหสถต่อไปว่าพ่อมโหสถเจ้ายังมีอะไรที่จะพูดหรือไม่ เพราะว่าสกลาบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ยังมีเรื่องที่จะพูดต่อไปอีกพระเจ้าข่ า, า, ข า, ร, ร, าระราชาจังได้ทรงตรัสว่าถ้าจินนั้นขอเจ้าจงพูดไปเพราะว่าสดกลาวทูลว่าจงกลาวทูลว่าอย่างไงมันตามธรรมดาศัตรพลดษคือคนดีย่อมสรงเสริญปัญญาวา่ากระเสริ คนงยเท่านั้นที่มวัวเมาหลงไหลอยู่กับยศและก็ทรัพย์ความรู้ของนักปรับจะหาอะไรมาช่างและหาอะไรมาเปรียบไม่ได้ย่ออยูเนเหนือทุกๆสิ่งคนมีทรัย์มียศจะยูเนเหนือคนมีปัญญาไม่ได้เพราะพุเธเจ้าข่าพระเจ้วาวิทยารอดเดชสงสัตดับถ้อยคำของพระสุทางนี้ ก็มีพระราชะดำหน่าขึ้นในความสมณติดาว่าดูก่อนมโหสถมณิตโลกรักเราพอใจมากที่เจ้าแก้ปัญหาเจ้าได้แจงแจ้งและชัดเจนไม่คือไม่คลุมเครือเลยเหมือนกับมีคนเปิดพระชนะที่ความใหงนขึ้นเราขอมบโคอสุภ ร, ราชหนึ่งพันตัว แล้วทั้งช้างอีกหนึ่งพันร้อมด้วยคาาพรพระชาพรและควานกับรถเทียมมาชาอยให่อีกสิบคันบ้านสวยสิบหกบ้านเป็นรางวัลแก่เจ้านี่ก็หาทานจะให้รางวัลกันนะก็น่าคิดโอ้โหสวดกราถวายบมงคมรับพระราชทานรางวัลด้วยความดีใจแล้วก็กล่าวคุณว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกว่า เป็นเรือหาคุณนาที่คุณร่นก้าล้วนกระหม่อมเดี่ยวค่ะนับตั้งแต่ บ, บัดนั้นไป้นมามาโหสกฎมณิกก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีรัศมีเด่นดวงเด่นอยู่ในพระญาณราบาท้าจงมีอายุจเจริญไวัยได้ถึงส6กปีแม่เด็กอายุเจขวบลูกหลังที่รักปัญญาดียานิหา ย, ยาก ตอนนี้ก็บอกว่ามโหสถว่ามโหสถพบคู่ครองรตอนนี้สนุกแต่เวลาเหลือ น, น้อยก็เริ่มตรนวปิดหนึ่งตอนท่านกล่าวว่าพระนาอุทุมพรเทวีเมืเ่อหอ็นมโหสถอายุดได้สิบหกปียังทรงดริว่าน้องชายของเราผู้เป็นใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่พอแล้ว มีทั้งยศนวัฒนารเรื่องควรที่ทำการแต่งงานได้แล้วครั้นลำดี ด, ดังนี้แล้วจะนด้าพระราชรวามีกราบผลว่าขอดีชะแม่ของตดมีอายุสิบกปีสมควรที่หาคู่ครองให้เธอได้แล้วพระเจ้ขาข้าพระราชกานว่าดีแล้วขอมอบหน้าที่นี้ให้เธอเป็นผู้จัดการ นางยินได้เรียกวัวสตมาแล้วถามว่าน้องรักเวลานี้อายุคองน้องก็ได้สิบหกปีทัาเมื่อคนที่มีคู่ครองได้แล้วไม่ใช่วอวสดนี้ทนว่าสุดแต่พระพี่นางินทุกคนเถิ ด, เ, ดจเจ้าค่ะม่อนฉันไม่ขัดข้องนนแต่นางแต่รั่วถ้าน้องไม่ขัดข้องพี่จะหาหญิงสาวมาให้น้องน้องจะพอใจไหม พระโพสต์ตัณฑ์ว่าหญิงสาวที่พระพี่นางจะจัดมาให้เรานั้นบางทีอาจจะไ ม, ไม่เป็นที่ถูกใจของเราเราควรจะจัดหาเองดีกว่าขั น, นตัณฑ์ท่านนี้แล้วจะประกาวทูลว่าข้าแต่พระพี่นางพระพี่นางเป็นพระมหาเป็นผู้เป็นใหญ่กยยว่าหญิงท่านหลายในประเทศนี้ หากว่าพระพินามีพระราชมีพระประสงค์จะจัดหาให้หม่อมฉันก็ถือว่าเป็นตัวหาคุณาแก่ข้าประบาดอย่างยิ่งเี๋ยวทรงจัดหาหญิงมาพระราชทานให้แก่ข้าประบัดแต่ขอพระพินางประทานพระทรงพระราชทานไมโอกาสให้แก่ข้าประบาดได้เสือกเสาะหาหญิงสาวที่ถูกใจได้ตนเองเสียก่อน เื่อได้มาแล้วจะมากราบทูลให้ทรงทราบภายหลังพระเจ้าค่ะพันนาอุทมพรจะจึงจึงไม่ทรงตรัสว่าทานอย่างนั้นละก็น้องถ้าปรารถนาอย่างนั้นพี่ก็ไม่ไขัดข้องและอนุญาตให้น้องสอหาหยญยิงสาวใด้ตามความประสงค์ม่อโสดไม่รับอนิญาตจากพระนานแล้วจึงนิสายบังคมลากลับเรี่องของตน แก้ เ, เรื่องราไมาให้ให้แก่บรรดาทหารนั่นแะบรรดาสหายท่านหลายทราบและจึงปลอมตัวเป็นนายช่างชุนผ้าออกจากบ้านมม่งหน้าโยตรงไปยังอุดรย ว, ย ว, วรตยวมัจฉคามอุตระเทศยวมัจฉคามไม่ความอุดรด้านทิศเหนือ ถ้าไปทิ้งบ้านอุดรยภาวะมัจฉาคามนั้นมีเศรษฐีแต่กุลเก่าแก่อยู่แต่กุลหนึ่งและว่าเวลานี้เป็นแต่กุลที่ยากจนขโมดทรัพย์แต่กุลนี้มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามอญเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างงามสมบูรณ์ด้วยศิลปลักษณะและดูแล้วมันสวยทุกประการ ในวันเดียวกันกะที่มโหสถเดินทางไปถึงที่นั้นปรากฏว่านางได้ตามข้าวนะได้นำข้าต้มออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อจะไปส่งบิดาซึ่งกำลังไถนาอยูลล่ันดีสวนทางกันกับมโหสถมโหสถทห่นางเดินมาคิดในใจว่าหญิงสาวคนนี้งามไม่เช่เนนน ลักษณะตักอย่างคุณนางก็แสดงว่าเป็นคนที่มีสิริมงคลหากนางยังไม่มีสามีก็ควรที่เราจะแต่งงานด้วยลบาบรรดาลูกหลานที่รักสแหรับวันนี้มองดูเวลาก็เห็นว่าจะหมดไปแล้วถ้าจะพูดไปเวลาเลยอีกครึ่ง น, นาทีก็ไม่มีประโยชน์สำหรับวันนี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงทำนี้ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคล เสริบุญปุณผลจงมีและลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี